อยเชิญนั่งได้สะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามอาจารย์บอกแล้วว่าตอนนี้ AEC เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าไม่พัฒนาเนี่ยต่อไปต้องไปเป็น ขอภัยใช้คําไม่สุภาพไปเป็นขี้ข่าให้กับชาวต่างชาติหมดเลยฝรั่งเวลาเขาขากน้ําลายคนไทยต้องไปถือกระโถนคอยรับน้ําลายเขาลูกเนนจะเอาแบบนั้นไหมไม่เอาแม่ชีน้อยจะเอาแบบนั้นไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตนเองมาดูเด็กต่างประเทศซึ่งเขาไม่มีโอกาสแบบเราลองมาดูว่าเขาสู้ชีวิตยังไง ข้อคิดอะไรกับเราใครจะตอบครับผมลุกขึ้นยืนเลยครับแม้ว่าอวัยวะของเราไม่ครบแต่เราก็ไม่ควรย่ อ, ยอท้อต่อชีวิตสาธุทุกๆให้ลูกเนนด้วยครับออยอดเยี่ยมมากเลยครับข้างหน้าครับว่ามาเลยครับเอามาเอาใหม่ลูก ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นั่นครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นสาธุดังดัครับ <S 2> <S 2> ไม่ชีน้อยครับ <S 2> <S 2> ใ, <น>ใครจะตอบไม่ชีน้อยมีไหม เ, เอ่ยอข้างหน้าครับผมอ่าช่วยจงทรงไปข้างหน้ามาเก่งมากเก่งมากลูกเนนยอดเยี่ยมจ้าเราควรมองสิ่งที่เรามีไม่ควรมองสิ่งที่เราขาดครับเราควรมองสิ่งที่เรามีไม่ควรมองสิ่งที่เราขาดสาธุดังดังได้จ้าสา ครับผมข้างหลังครับข้างหลังช่วยหน่อยหนึ่งก็ขนาดเด็กตัวเล็กที่เขาเพิ่งเกิดมามีอวัยวะไม่ครบส่วนแต่เขาก็พยายามที่จะทําดังนั้นเราเป็นคนที่โตกว่าแล้วครบส่วนก็น่าจะมีความพยายามที่มากกว่าครับครับสาธุสุดยอดในสาธุดังๆครับสาอยากเยี่ยมมาโอเคจ่าข้างหน้าจ่าขอไม่จ่าขขอไม่ให้ลูกด้วยจ่า สมงไมมาในโลกน่ารักมากไม่น่าเชื่อรุ่งอรุณเก่งๆทั้งนั้นเลยยิ่งมาบวชเป็นในพุกเนรท่เก่งยิ่งทำอะไรที่ยังไม่เคยทำเราจะเก่งเราจะเก่งได้มากขึ้นและยิ่งทำสิ่งที่เราทำไม่ได้เมื่อเราเก่งได้มากขึ้นแล้วเราถนัดเราสามารถเป็นครูสอนคนอื่นได้แล้วเราจะนถนัดเองได้ด้วยสาธุดังๆด้ดดวยจ้าสา เราค่อยๆฝึกมันจะเกิดความถนัดขึ้นเรื่อยแล้วสามารถเป็นครูสอนคนอื่นได้อีกด้วยสุดยอดมากจากข้างหลังอ่ะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายลวครับสุดท้ายละจ้ะอ่ะส่งไม่ไหนลูกจาส่งไม่ไหนครับโอ้โหมีท่าถงพิเศษด้วยถ้าพยายามเออหาวิธีใหม่ๆอะครับแล้วก็ ก่อนนะครับก็จะสำเร็จครับพยายามหาวิธีใหม่ๆคิดก่อนทำก็จะประสบความสำเร็จสาธุดังดังด้วยครับเอาละโอเคแค่นี้ก่อนอามาดูคลิปต่อไปปิดไฟข้างหน้านี้ให้หน่อยหนจะได้เห็นชัดนิดนึงจ้ะ minuto d e c i para v e e de juego de la primera parte con empate a cero se marcha Messi se marcha Messi ahí está entre dos c o n t r a r i o s qué bonito lo ha hecho el autopase qué maravilla qué maravilla r a y l Messi al área Messi al área remata q l qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol qué gol gol qué gol qué gol gol qué gol gol gol gol gol gol gol gol gol Hey, Mario m e s i ใครยังไม่เคยดูคลิปนี้ยกมือสูงสูงใครเคยดูแล้วยกมือสูงสูงโอเคจ้ะเอาใหม่ใครยังไม่เคยดูยกมือสูงสูงพบเฉพาะคนยังไม่เคยดูตกลงกิ้งก่าตัวนี้ตายหรือไม่ตายดูต่อ spring and the timing, look at this from Messi, look oh, at this one. He leaves one, he leaves two for that. t c k s on four. Die, let me die. Beats the goalkeeper. You're just lost for words. He is just brilliant. George Paz, Diego Maradona, Johan Cruyff. หลุดแทบตายดูอีกรอบนึงอเย็นันอมอเม Regenio, Enelgarno, They're t Atleti o o trying to contain him, but it's an impossible t a s s This man is just unstoppable. w h a t h do with the spring and the timing? Look at this from Messi. Look oh, at this one. He l e e d s one. He needs two for that. t i c k s on four. Goalkeeper! You're just lost for words. He is just brilliant. Georgie Best, Diego Maradona, Johan Cruyff. b u c h a p u c h a ใครจะให้กวางเห็นว่าเรื่องนี้ให้ขอคิดอะไรกับเราขอแม่ชีน้อยก่อนจัดเอามือลองก่อนลุกแน่นะจ่าไม่ไปหาแม่ชีน้อยองค์หน้าเลยจ่าจะจะช่วยหน่อยนึงจ่าช่วยห่อจเดี๋ยวขอผนกไม่ลอยด้วยจ่าช่วยลอยไปตรงจุดต่างๆกิ้งก่าตัวนี้มีสติปัญญาหนีรอดมาได้ะคะ่ะ กิ่งกะมีสติปัญญาจึงรอดมาได้สาธุดังๆังได้ไหมชีน้อยจ้าสาธุจ้าขอแม่ชีน้อยข้างหลังต่อเลยจ้าถ้าพยายามอะไรก็สำเร็จได้ค่ะถ้าพยายามอะไรก็สำเร็จได้สาธุดังดงได้จ้าสาธุจ้าจ้าขอ ไม่ว่าเราจะพบปัญหาอะไรค่ะถ้าเรามีสติออทุกอย่างย่อมแก้ไขได้ไม่ว่าจะพบปัญหาอะไรถ้าเรามีสติทุกอย่างย่อมแก้ไขได้สาธุดังๆอีกครั้งหนึ่งจ้าสาธุจ้าก็กิ้งกาตัวนี้เขาเจอ ง, งูแล้ ว, ว ก, กส็สะอาดสะอาดสะอาด สว่างสงบสง่างามประกาศโดทราบการให้เกียรติผู้อื่นตรงนี้สำคัญมากๆเลยตอนนี้เราจะให้เกียรติแม่ชีน้อยขณะที่คนอื่นพูดเราจะเงียบกริบเลยนี่คือการให้เกียรติกันถ้าลูกเน้นออกไปต่างประเทศถ้าเกิดใครพูดแล้ว เ, เราพูดขึ้นมาปับ๊บเขาจะมองหน้าเลยว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอน เสียชื่อถึงคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สะอาดสว่างสงบสง่างามยอดเยี่ยมทั้งแม่ชีน้อยและลูกเนร น, น้อยด้วยจะตั้งใจฟังเพื่อนเลยจะ้ะก้งกาตัวนี้เขาลอดมาได้เพราะว่าเขามีสติเขาเจองูแล้วเขาตกใจเขายังมีสติเขาจะไม่อยู่เฉยๆเขาจะวิ่งไป เขจะขอลองทำดูจ่าสาธุดตัวให้ไหม่ชีน้อยจ่าตกลงตัวสติสำคัญไหมสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดก็ต้องมีเวลาจะทำก็ต้องมีเวลาจะคิดก็ต้องมีอ่าขออีกหนึ่งรูปจ่าแล้วก็จบจ่าถึงแม้เรารู้ว่าอุปสรรคที่เราจะผ่านไปมันอาจจะไม่สำเร็จแต่เราก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จจ่าจงพยายามและพยายามต่อไปสาธุอีกครั้งนึงจ่าจ้า แค่นี้ก่อนนะลูกเอามือลงก่อนจะตกลงตัวความพยายามนะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จมีผู้หญิงคนนี้พระจานฉายเข้าวๆน ะ, ะไม่มากตรงนี้แค้แคนี้นี้นี้แค่นี้แค่ if you just put your mind to it you can do it and you believe that yeah that's that the crazy thing is if you are never given limits then you think I can do anything. And if she could do anything, she wanted it to be this—what she saw her hero, Dominique Mociano, doing on TV. There was just one problem: Jennifer was born without legs—a devastating birth defect that had led her natural parents to abandon her the day she was born. It bothered me to think that there was a little girl that was left at the hospital, and she had no legs. So I thought she needed a family that would love her and take care of her. Sharon and her husband Gerald brought her home to the tiny town of Hardenville, Illinois, population 50. They say, if you count the dogs and cats, they decided to raise her like they raised their three healthy sons. พระเจ้าให้ดูข้าวขเปลนแต่ปากเขคิดว่าเด็กผู้หญิงคนแรกเขาไม่มีแขนเขามีแต่ขาแต่เขาก็เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนข้าวเขาป้อนตัวเองได้มาเด็ก ผู้หญิงคนนี้สาวคนนี้ไม่มีขาทั้งสองข้างมีแต่แขนแต่เขาก็ไม่ได้ไปขอทานอะไรใครเขาสู้ชีวิตจนกระทั่งประสบความสาเร็จพระจานทร์ไปเจอเด็กคนหนึ่งเขามีขาอยู่ข้างเดียวแล้วมีแขนอยู่ข้างหนึ่งทีนี้ขาข้างที่ออกมามันไม่มีเท้ามันมีออมานิดเดียวเดินไม่ได้แต่โชคดีเขามีคุณพ่อที่เข้มแข็งมาก ตอนเขาสามขวบกว่าสี่ขวบสี่ขวบเขาบอกปะป้ า, ปาหิวน้ํา พ, พ่อเขก็บอกว่าก็เดินไปเอาสินั่งงานน้ําอยู่ทางนู้นไปเอาเองสิก็หันไปมองพ่อปะป้ า, ปาหนูไม่มีขานะพระจันทร์ประทับใจพ่อเขามากพ่อก็บอกว่าหนูไม่มีขาแต่หนูมีมันสมองหนูมีมันสมอง คิดคิดคิดเด็กน้อยอายุแค่สามสี่ขวบเริ่มคิดคิดคิดเสร็จแล้วเขาก็ไต่ลงจากเก้าอี้ไต่ลงแล้วเขาก็กระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกไปเรื่อยเลยจะกไปหาเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็กระแทกแล้วก็มือดุนเก้าอี้กระแทกแล้วก็มือดุนเก้าอี้จนกระทั่งไปถึงครัวพอถึงครัวเขาก็ปีนขึ้นเก้าอี้แล้วก็ไปเอาแก้วน้าแล้วก็เปิดน้า พอเปิดน้ำเสร็จเขายกแก้วขึ้นมาป๊บปะหนูทำได้แล้วตกลงสามสี่ขวบเขาคิดเป็นแล้วเขาพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราแขนดีขาดีแต่บางคนสมองดีแต่คิดไม่เป็นควบคุมตัวเองก็ไม่เป็น ไม่เหมือนพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนตอนนี้ควบคุมตัวเองได้หมดเลยสาธุดังดงให้ตัวเองด้วยสาธุดังดังให้เพื่อนเพื่อนด้วยสาธุจากสาธุให้ครูบาอาจารย์ด้วยท่านทุ่มเทมาให้กับพวกเราเนี่ยคิดว่าท่านอาจารย์ท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคิดว่าคุณครูพี่เลี้ยงเหนื่อยไหมเหนื่อยจากต้องตื่นก่อนต้องนอนทีหลัง แล้วลูกเนนบางองค์น่ารักมากเลยเวลานอนตอนเริ่มนอนนี่เรียบร้อยพอตื่นขึ้นมาถิงสบงมาปิดหน้าตัวเองแล้วสบงขึ้นมาปิดหน้าแล้วคิดว่าข้างล่างมันเป็นอะไรอะนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามเรื่องเมื่อกี้ซึ้งไหม ซึ้งจัดที่ฉายมาซึ้งทั้งนั้นเลยซึ้งมากเลยแหละซึ้งซึ้งซึ้งจริงๆเนี่ยซึ้งมากเห็นหมหซึ้งมากจ้าอ่ะมาดูอีกนิดหนึง่งพระอาจารย์เคยฉายเรื่องนี้แต่พระอาจารย์ชอบมากอยากจะฉายให้พวกเราดูอีกเพราะว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> เขาชื่อว่าเจตสิก้าคุกเกิดมาแขนไม่มีมีแค่สงขา เคยฉายที่นี่แล้วเขาเขามีความรู้สึกคนว่าเขาบอกว่าน่าสงสารนะเกิดมาพิการเขาบอกเขาไม่ได้พิการเพียงแต่เขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแค่นั้นเองเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเสร็จปั๊บเขาก็ดูว่าอะไรบ้างที่คนอื่นทําได้เมื่อคนอื่นทําได้เขาต้องทําได้ในที่สุด เขาก็เลยพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองดูวิธีการต่อสู้ชีวิตของเขา Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, "What?" Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet—from putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head-on and got a pilot's license. She talked with our Jim m u r a y How is it possible to fly a plane without hands? You know, I, I, it's even hard for me to believe when I'm talking about it. You just do it. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look ma, no hands." She showed us how she controls her plane. And I would have my right foot right here on the yoke, and my left foot here on the throttle, and I'm using my big toe to push on the push-to-talk switch. So you feel perfectly safe. I do. Yes. Is there any issue of safety at all? You know, there's not. After you know an hour, just like driving with her in a car after an hour or so, you don't even really realize she has no uh, no arms. Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle, then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows. How was the flight? That was fun. Good for. พระจานทร์พระทับใจเขามากเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรที่คนอื่นทําได้เขาต้องทําได้เสร็จปั๊บเขาเขาเป็นคนกลัวความสูง เขารู้ว่าเขากลัวความสูงพอขึ้นที่สูงปั๊บใจวิววิวๆๆ ว, ว, ว, วเขาก็เลยไปสมัครเรียนขับเครื่องบินเขาไม่ยอมที่จะตกเป็นทาสของความกลัวจนตลอดชีวิตจะไม่ยอมตายไปกับความกลัวเขาก็เลยพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองกลัวความสูงไปสมัครสอบขับเครื่องบินคุณครูเห็นแล้วตกใจมันจะขับอย่างไงแขนก็ไม่มีแต่เขาบอกถ้าเขาทําไม่ได้เขายอม แล้วในที่สุดข้อเขียนผ่านหมดเลยเพอถึงเวลาขับจริงๆเขาตั้งใจมากปรากฏว่าการเอาเครื่องขึ้ น, <S <S นการเอาเครื่องลงเก่งกว่าคนที่มีแขนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างชาติเขาพัฒนาตนเองตลอดเวลาไม่ได้งี่เง่าไม่ยอมพัฒนาตนเองอาศัยว่าคุณพ่อรักคุณแม่รักก็งองแงเอากับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาโชคดีว่าคนที่นิสัยแบบนั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลย ที่งองแงอย่างเดียวสาธุัดังๆให้พวกเราด้วยจ้ะทีนี้มาดูภาพนี้น่าสนใจจะ้ะอ่พระอาจารย์ได้ทบทวนต่างๆอันนี้เคยฉายแล้วที่นี่ก็อยากจะฉายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันจะ้ะ What a r you d o i n year, d o t o r t h o m i ่ he said that 15 years that the doctor said that he could not walk า i t h o u t a cane. He w ย s 47 years old. But the problem he had was that he was a s o l d i รับจ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเขาโดดล่มทุกครั้งที่ลงมาถึงพื้นเนี่ยขากระแทกพื้นก้นกระแทกพื้นในที่สุดกระดูกมีปัญหาเมื่อกลับจากสนามลบเขาไม่สามารถที่จะเดินแบบปกติได้ในที่สุดก็เลยนั่งกินนอนกินน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็นั่งวีลแชร์ไปไหนต้องนั่งวีลแชร์ตลอดจ้ะ ไม่สามารถจะเดินแบบปกติแม้อยู่บ้านจะเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้ไม้ถึงสองอันไม้อันเดียวก็เดินไม่ได้ในที่สุดเขาก็คิดว่าเขาจะต้องพิการแต่อยุ่ดีกว่าแบบนี้ไปตลอดกวิาณจเขาก็เลยไปหาอาจารย์สอนวิชาโยคะ ที่จะลดน้ำหนักอาจารย์แต่ละคนพอเห็นน้าหนักของเขา200กว่ากิโลก็ใส่หัวกันทางนั้นเลยว่า impossible เป็นไปไม่ได้ที่จะเขาจะลดน้ำหนักแล้วเขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีทางแต่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์ พออาจารย์ยอมรับก็เป็นลูกศิษย์แค่นั้นเองเขาตั้งใจปฏิบัติเหมือนลูกเนนที่ตั้งใจจะมาบวชเนี่ย <you> ไม่ว่าท่านอาจารย์ท่านจะให้สอนอะไรฝึกอะไรพวกเราพยายามทุกอย่างเลยจนกระทั่งผ่านการคัดเลือกมาได้น่าชื่นใจมากๆเขาพยายามล้มแล้วล้มอีก <Let> s <S ล้มแล้วล้มอีกแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีคำว่า ล้มเหลวถ้าเราไม่ล้มเลิกในาี่สุดน้ำหนักเขาก็ค่อยลดลงลดลงคนไม่เคยเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาตอนี้รอยยิ้มเริมปรากฏขึ้นแล้วแสงสว่างเขาเริ่มทิ้งไม้เท้าหนึ่งอันแล้วก็ทิ้งสองอัน แล้วพอทิ้งสองอันก็โครมอย่างที่เห็นทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขาไม่ยอมยุดล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกอันนี้คือเฮด s t a n d i ้ g ท่าชีสักอาสนะไม่ยอมเลิกกินหยุดร้าย u try and t r ก again You will s u c c e s s อธิษฐง The way to success. ในที Dale, street, no. no. ่ส so ุดก็ทิ so ้งไม้อันหนึ่งได้แบบสบายๆเริ่มถือไม้อันเดียวแล้วยังเดินได้แล้วก็ยอมทิ้งอันที่2องีกอันหนึ่งแต่เดินเหมือนเด็กหัดเดินได้แล้วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีในที่สุด he lost one h u o u n d s In นซิมเดือนเขาสามารถลดน้าหนักได้ร้อยพาวแล้วเขาก็กลับมาวิ่งบนถนนแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยความภาคาเขากลับมาใช้ชีวิตแบบสง่างามอีกครั้งนึง เรื่อีบัฟไม่ยอมแพ้ <We 'll S 2> สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราไม่ยอมแพ้ <We 'll S 2> ทุกอย่างเป็นไปได้ไอร์ลอดวันอันเดธโฟรติพเพียงแค่สิบเดือน พระอาจารย์เอาสิ่งเหล่านี้มาให้ดูเพียงแต่อยากจะฝากให้พวกลูกเนนและแม่ชีน้อยเห็นว่าต่างชาติเขาไม่ยอมหยุดที่จะพัฒนาเขาไม่ยอมหยุดที่จะพัฒนาสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามมีเด็กคนหนึ่งไม่ยอมที่จะหยุดพัฒนาตนเอง ดูคลิปอคปคีคลิปนึงค่ะคลิปนี้นี่กำลังเป็นที่ด่งดังหลายคนน่ยกดเข้าไปชมยอดไล่นี่หลักแสนแล้วนะคะ<ม>เป็นคลิปเด็กน้อยคนนี้แหะค่ะกําลังนั่งล้างจานอยู่แต่ไม่ได้ล้างจานธรรมดาร้องเพลงไปด้วยไปฟังกันว่าร้องว่าอะไรค่ะเ ด, เดี๋ยวแม่ใจร้ายเหมืนจางรู้ไหมไม่รู้อ่ะไปเจ้าต้องมาทํางานนะ งมาทำงานหนักทำไมจะต้องมาทำงานหนักทำไมจะต้องมาทางานหนักเจาไม่รู้เอตาทไมจะต้องมาทำงานหนะักแม่ใจ้ายทุกทีจอดตาหนูให้หนูใช้งานทุกวันโอไม่อยากเป็นเด็ก Why, a n n a n t a n y m o w h I j g I t o a l r e a I j s h I t I n จับใจความทั้งหมดได้ว่าทำไมฉันต้องมาทำงานหนักนะคะถูกของเพลงนะคะถูกต้องแล้วก็หลักๆรู้สึกว่าเสียงจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆตา ม, อ, มอารมณ์ร่วมนะคะคลิปนี้นี่ถูกแชร์กันสนั่นโลกออนไลน์เลยทีเดียวก็เขาบอกว่าเป็นความไร้เดียงสาของเด็กน้อยที่ถูกใช้ให้ล้างจานค่ะเด็กคนนี้เนี่ยอายุ5ขวบนะคะชื่อคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้ a c e b ุ o k โพสลงไปเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า ทำไปบ่นไปเออ mm hmm. บ่นจริงๆนะบ่นเป็นเพลงด้วยก็อย่างที่บอกทําไมต้องทํางานหนักไม่รู้เหมือนกันก็มีการบอกว่าแม่ใจร้ายชอบว่าใช้งานแต่ประโยคเด็ดที่ดิฉันอยากจะจับใจความอยู่ประโยคเดียวคือหนูไม่อยากเป็นเด็กดื้ mm hmm. ออันนี้ดี <c oughs> คือเป็นการเรียกว่าร้องเพลงระบายอารมณ์หรือว่าให้มีอารมณ์ร่วมกับการทํางานจริงๆแล้วล้างจานก็ไม่ใช่งานหนักมากนะคะ สาเหตุที่เด็กคนนี้ต้องมานั่งล้างจานเนี่ยจริงๆไม่ได้ถูกแม่ใช้นะแต่ว่าเขาจะต้องทําความดีเพื่อที่จะเขียนลงในสมุดบันทึกความดีของโรงเรียนก็หลายๆคนดูแล้วก็มีความคิดเห็นไปต่างๆนานานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกได้ก็คือว่าล้างจานเนี่ยจริงๆคุณแม่ล้างจานให้เราทุกวันเลยนะตั้งแต่เด็กๆเอาคแค่เล็กๆน้อยๆอย่างเดียวยังไม่รวมเปลี่ยนผ้าอ้อมทํากับข้าวออกไฟทํางานถูบ้านกวาดบ้านเก็บบ้านซักผ้ารีดผ้า เตรียมที่นอนเตรียมชุดให้เราเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่หนั ก, ฝ, ก, กฝึกเอาไว้ละกันฝึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆจะได้ ช, ช่วยเหลือคุณแม่ได้แล้วก็เป็นลูกที่น่ารักไม่ได้เป็นเด็กดื้อแต่บนสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามยืดตัวขึ้น การพัฒนาตนเองมีคลิปที่พระอาจารย์เคยฉายที่นี่เรื่องการพัฒนาตนเองแต่ละคนจะพัฒนาไม่เหมือนกันแต่สำหรับเด็กบางคนนี่เขามีการพัฒนาที่สูงอยากฉายเรื่องเก่านะมาทบทวนกันในฐานะที่ตอนนี้เรามาบวชเป็นลูกเนนกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ตื่นกันตอนกี่โมงครับ ตีสโอ้โหดุเดือดไว้เฮ้ตีสี่นะเอาจริงมากเลยมีเด็กซึ่งเขามีปัญหาตื่นก็สายปลุกให้ตื่นแล้วก็หลับจับให้นั่งแล้วก็ยังนอนสารพัดในที่สุดไปโรงเรียนไม่ทันเป็นประจำ คุณแม่ก็เลยมาตกลงกับลูกบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องมาพัฒนาตนเองแล้วไม่งั้นเราจะต้องเป็นที่ค่าของต่างชาติตลอดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นดูว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรกับการตื่นสายพอคุณแม่ตกลงจับมือกับลูกปั๊บเรียบร้อยเลยแก่หลังจากนั้นพัฒนาเต็มที่ส o มีหลายคนยังไม่ได้ดูแต่ว่าเคยสายที่นี่แล้วดูว่าพิธีการของคุณแม่ทำอย่างไรพิธีปลุกลูกลึกนี่ทีเดียวตื่นเลย ขอกลี่ยวเอกอしかもね右手でย卵้ายมือเดี๋ยวไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไも่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ เห็นกระทะไหม เขามาซื้อเตาหนมครกจากเมืองไทยไปแล้วไปทำเป็นที่ทอดไข่ได้ でも名前書くのってよじれたり書きにくかったりするよね。んこんな時は紙やすり。こ<ー>んな忙しい時にやんなくて。て出して。やっと。こんなに書きやすい。お<ー>お早い。 โอ้โหโอ้้โอ้โอ เช้าสุกทานเร็วว่าตตฟันว่ดสน4ว เมื่อก่อนนี้แม่ปลุกตั้งแต่หกโมงเช้าแปดโมงยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปโรงเรียนไม่ทันมาตอนหลังนี้พอตกลงกันดีแล้วต่อไปนี้หนูจะตั้งใจพัฒนาตนเองหนูจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองในที่สุดเขาใช้เวลาทั้งตื่นล้างหน้าทานอาหารทั้งหมดกี่นาที 4นาทีสี่สิบวินาทีเขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ของพวกเราเมื่อเช้าตื่นตีสี่เสร็จเรียบร้อยกี่โมงตีห้ า, ใ, าใครปลุกแล้วนอนต่อมีไหมโอ้โหยอดเยี่ยมสาธุดังๆให้เพื่อนๆหน่อยจอ้ ะ, จะต่อไปนี้เราจะพัฒนาตนเองแล้วพนมมือว่าตามก้าวไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่าาสาธุช่วงก้าวที่ยาวไกลอาจวันไหวและล้มลงก้าวสั้นๆแต่มั่นคงแม้จะสั้นแต่มั่นใจค่อยๆพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าลูกเนนกลุ่มนี้แม่ชีน้อยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาตนเอง ตอนนี้หลายองค์เริ่มควบคุมตัวเองได้นั่งเรียบร้อยกันเป็นแถวหมดเลยสุดยอดจริงๆสะอาดสว่างสงบสง่า ง, งามท่านอาจารย์ช่วยดูด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจกพัดองค์ไหนที่อาจารย์เห็นว่าเขาไม่ตั้งใจก็อาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องแจกนะครับเพราะว่าจะเอามาฝากกับทุกๆรูป แต่ว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่จะนำมาฝากก็ไม่เป็นไรจ้ะก็พระอาจารย์ก็เอากลับไปได้เพราะว่ามีคนขออีกเยอะแยะนี่เขาขอกันมากพระอาจารย์บอกไม่ได้หรอกตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้เผื่อลูกเนนบ้างเมื่อเช้าพอแจกโยมโยมเห็นชอบมากเลยบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวขอร่วมบุญร้อยอันเลยพระอาจารย์บอกตรงนี้เอาไปไม่ได้ไงไงก็ไม่ยอมให้ใครขายก็ไม่เอาจแจก เพราะว่าลูกเนนกลุ่มนี้น่ารักมากแม่ชีน้อยก็น่ารักมากสาธุให้ทั้งทั้งหมดเลยอะ่ะสาธุจ้ะเรามาพัฒนาตนเองกันนะเดี๋ยวนิดนึงสรุปเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราเอ้าวลูกแม่ชีน้อยยกมือแล้วข้างหน้าช่วยนิดนึงจ้ะจ้ะนั่งก็ได้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะ เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้สาธุดังๆด้วยจ่ามีไหมข้างหลังต่อเลยจ่าเราสามารถเปลี่ยนความเคยชินเก่าให้เป็นความเคยชินใหม่ได้โอเคเปลี่ยนความเคยชินเข่ามาเป็นเคยชินในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาสาธุจ้า อ่ะอย่างนั้นขึ้นมาข้างหน้าแลวจ่าลูกเนนมาที่ลูกเนรจ่าจ่กลูกทุกคนสามารถมีความพยายามได้ฮะทุกคนสามารถที่จะมีความพยายามในการพัฒนาตนเองสาธุจา้าสาธุาอ่ะครับผมสามารถเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนอุบกสามารถหาวิธีใหม่กับ อุปกรณ์อันเก่าได้ครับจับหาหาวิธีการใหม่ๆกับอุปกรณ์เก่าๆนี่แหละสาธุอีกครั้งหนึ่งจ้ะสาธุจ้ถ้าเราเคยทำในสิ่งที่แบบคนอื่นต้องรอช้าเราก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นไม่ต้องรอและเราไปรอแทนได้ไม่เป็นภาระของผู้อื่นสาธุดังๆจ้ะสาธุ บางคนทําตัวเป็นภาระเป็นเป็นภาระเดี๋ยวข้างหลังก่อนจ่าคือว่าถ้าเราตั้งใจครับก็จะสําเร็จถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วมันก็จะไม่สําเร็จครับถ้าเราตั้งใจก็จะสำเร็จสาธุให้ลูกเนรด้วยจ่าสาธุจ่าข้างหลังเมื่อกี้นี้ข้ายกมือเออทุกคนย่อมมีโอกาสที่สองครับจ้าทุกคนย่อมมีโอกาสสาธุอีกครั้งหนึ่งจ้ า, อ, าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวด้านโน้นก่อนจ่าด้านนั้จ้านารักกัน เมื่อเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราลงมือทำพัทธิแล้วเราลงมือแบบพยายามก็จะสําเร็จครับออืลงมือทำํำมันจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เลยจ้ะสาธุจ้าด้านนี้จ้ะลูกเนนตรงนี้จ้ะถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นเหมือนเดิมมันก็จะพัฒนาขึ้น พยายามและพยายามและพยายามต่อไปจะพยายามไปเรื่อยๆจะสาธุอีกครั้งหนึ่งจ้เราเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจครับเราเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจสาธุจ้าจ้าข้างหลังพอแล้วนะลูกเน้นสุดท้ายเลยจ้าเราควรพัฒนาตัวเองไม่ใช่อยู่กับที่ครับพัฒนาตัวเองไม่ใช่อยู่กับที่สาธุลุกเน้นด้วยจ้ อ่ะมาดูเด็กคนนี้เขาพัฒนาตนเองหลังจากที่พัฒนาธรรมดาแล้วเนี่ยมีตรงนี้เขาพัฒนาพิเศษโอ้โหเอามาดูพัฒนาพิเศษตัวนี้ 少女がアブの頭上で指をゆっくりと回すと、なんとアブが仰向けにひっくり返ってしまったではないか。これはまさに魔法のようだ。そして少女がミニスイカを乗っけると、くるくるくるくるスイカを見事に回し始めた。器用に足を使い、楽しそうにスイカを回すアブ。さらに少女は他のアブを取り出しテーブルに置いた。そして得意の魔法を使ってつ々とアブ。 <Es per ated> เขาฝึกพลังจิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นลูกเนนฝึกพลังจิตอะยกมือ14จังหวะเอ้าเอานั่งเรียบร้อย14จังหวะนับ1นึถึงบห้ารอบพร้อมกันหนึ่งสองสหนึ่งสอง เสียงยกมือเฉยๆแต่ไม่ใช้เสียงอีกสิบรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะพอตั้งใจนิดนึงจะห้ารอบอีกห้ารอบยกมือห้ารอบแล้วนั่งสงบสงบแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดตอนนี้ลาออกจากฐานของความคิดให้มาอยู่ที่ฐานกาย มือเคลื่อนไหวรู้พลิกรู้ยกรู้วางรู้มารู้อยู่ที่ฐานกายที่เคลื่อนไหวอย่ายุ่งกับความคิดอย่ายุ่งกับความคิดเรามาอยู่ที่ฐานกายเฉยๆตั้งใจจากใครเขาไม่ทำก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่เป็นไรใครทำคนนั้นได้ประโยชน์คนไหนทำคนนั้นได้ประโยชน์เองจ้ะ ลองดูตั้งใจแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเก่งมากเลยเก่งมากยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมจะ้ะอ่ะโอเคมาดูคลิปต่อไปนิดนึงจะ้ะ เขาอยากได้ตุกตาแม่บอกก็ได้ตุกตาอยู่ข้างบนปีนเองเขาก็ปี น, นเขาฝึกตัวเองจะพัฒนาตนเองแล้วมาดูเด็กของต่างประเทศเขาเป็นไงกัน ลงชาวต่างชาติเขาพัฒนาตนเองตลอดเวลาไม่เหมือนกับเด็กไทยบางคนที่ไม่ยอมคิดพัฒนาตนเองเลยโชคดีพวกเด็กที่ไม่สนใจในการพัฒนาตนเองไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุดังๆให้พวกเราด้วยเอาใหม่สาธุดังๆ ด, ด, ด้วยจ้ะพวกเราตั้งใจที่นี้พิธีการพัฒนาตนเองมาดูหลักในการพัฒนาตนเองด้วยดีนะ อันนี้เป็นกลุ่มที่พระจารย์ไปจัดมาว่าเขาพัฒนา<อ>พัฒนาอย่างไรรถคันนี้<อ>ชื่อว่ารถอะไรรถสติแห่งสันติแสติเยะว่าชนสําคัญนั้นต้องมีมเมล็ดพันแห่งสันติและสติยตเป น, น, น, นอยู่รสที่หยดมันสิ้นทําคําชนโลกเราแต่ไม่เอาคิดมีมีวินไหัยและใจไม่ลงลืมเฮ้ค รอบรู้ทันเพราฉันรู้สึก ตกลงวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งโรคทั้งโกรธทั้งหลงวิธีการแก้แก้อย่างไรใช้อะไรมาแก้รู้สึกตัวรู้สึกตัวสะอาดเห็นไหมมีรู้สึกตัวกันไม่กี่คนสะอาดนี่รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วสะอาดสว่างสงบสง่างามยอดเยี่ยมมาก มีลูกชีมาถามว่าพระอาจารย์ไม่มีเกมเหรอก็มีจะเกมรู้สึกตัวกันแล้วมาฝึกการเจริญสติทบทวนที่เคยฝึกไปแล้วพระอาจารย์อยากจะทราบว่ามาบวชเที่ยวนี้เราสามารถที่จะผ่านขั้นตอนกันได้ทุกรูปไหมใครคิดว่าตัวเองพอจะมีสติอยู่กับเขาบ้างยกมือสูงๆผึบอะลองดูว่ามีสติจริงไหม เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เกมการฝึกการเจริญสติถ้าพระอาจารย์บอกว่ามีสติให้ทำอะไรพวกเราก็ทำถ้าไม่ได้พูดคำว่ามีสติก็ไม่ต้องทำทราบพร้อมถ้าพระอาจารย์พูดคำว่ามีสติให้ทำอะไรพวกเราก็ถ้าไม่ได้พูดคำว่ามีสติก็ไม่ต้องทำทราบพร้อม ถ้าทราบแล้วพร้อมแล้วเริ่มเข้าสู่การฝึกการเจริญสติทั้งคุณครูและเด็กๆทุกๆคนพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนได้รึโอ้โหโอ ย, ยอดเยี่ยมจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้พระอาจารย์พูดคำว่ามีสติหรือยังยังไม่ได้พูดนะเพระาะฉะนั้นตรงนี้พวกเรายอดเยี่ยมมีสติยืนขึ้น โอ้โหอาจหารมากกลุ่มนี้สุดยอดเลยบางคนต้องเอาแม็คโคมายกมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงๆมีสติบิดขี้เกียจตามสบายหรือมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงๆมีสติบิดขี้เกียจไปทางซ้ายสุดๆ มีสติบิดขี้เกียจไปทางขวาสุดๆมีสติหันกลับมาตรงๆมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสุดๆมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสุดๆสุดๆเอามือลงได้เวทีนี้ ไม่มีพี่เลี้ยงตอนนี้พวกเรามีศีลกันทุกรูปเพราะฉะนั้นใครที่เอามือลงเมื่อกี้เชิญนั่งเป็นชุดแรกห้ามเกเรไม่ต้องไปกระตุกเพื่อนเขารู้เองว่าเมื่อกี้เข้ า, เามือลงหรือเปล่าอ่าที่เหลือยอดเยี่ยมมากชุดแรกหลุดไปแล้วมีกลุ่มนี้ที่ยังมีสติจะเอามือลงได้มีสติเอามือลง ใครไม่เอามือลงเชิญนั่งได้เลยคนที่ไม่ได้เอามือลงนั่งได้แล้วใครไม่ได้เอามือลงนั่งเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะเมื่อกี้บอกว่ามีสติเอามือลงแล้วจ้ะอา้ามีสติแถวตรงพรึบหายไปเยอะมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสูงโอ้โหยอดเยี่ยมมากพกี้นั่งดูเพื่อนด้วยมีสติเอามือลงโอโ้โหใช้ได้ มีสติปรบมือหนึ่งครัง้งสอ ง, งอครั้งปรบดังหรือไม่ดังนั่งลงไปเลยเมื่อกี้ใครปรบนั่งซะมีสติแถวตรงพึบมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสู ง, สง พวกที่นั่งเป็นตาแทนพระอาจารย์ด้วยคือเพื่อนเราบางคนน่ารักมากเขาคอยมองเพื่อนถ้าเพื่อนทำแล้วเขาทำเขาชอบลอกคนเป็นประจำดูให้ดีนะประกาศโปรดทราบใครทาช้าต้องนั่งใครไม่ทาต้องนั่งถือว่าขาดสติถ้าทำช้าก็ต้องนั่งลงถ้าไม่ทำก็ต้องนั่งลงมีสติปบมือกลางอากาศหนึ่งครั้งสองครั้ง โอเคจ้ะไม่เป็นไรอ้าใช้ได้จ้ะเอามือลงได้มีสติเอามือลงโอ้โหกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมมากนี่ถ้าต่ออีกสักพักคิดว่าจะเหลือไหมปุดฉา คนที่ยืนใครวิสัชนาแล้วนั่งไปเลยจ้ะไม่ได้ถามว่ามีสติปุดฉาเชิญนั่งเลยจ้ะเชิญนั่งเชิญนั่งอ่ะเหลืออยู่กี่คนเอ้ยลูกเนนกแม่ชีน้อยใครจะเหลือมากกว่ากันเอาไหมมีสติแถวตรงผุดนิดนึงจ้ะพวกเราเคยเคยเออเคยปลกมือเป็นเซตใช่ไหมเงียบก่อนเงียบก่อนมี จะให้ปรบมือเป็นเซตนะมีสติปรบเซตโอ้งงไม่เข้าใจไม่เป็นไรจะ้ะเอาใหม่เอาถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งจะ้ะมีสติแถวตรงตกลงเพิ่งจะผ่านมาแป๊บเดียวนั่งเกือบหมดนี่ถ้าต่ออีกพักคิดว่าจะเหลือหรือไม่เหลือไม่เหลือแน่เลยแสดงว่ากลุ่มที่นั่งมีสติหรือขาดสติ กลุ่มที่นั่งขาดสติไปแล้วก็มีแต่กลุ่มที่ยืนที่มีสติเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยืนยอดเยี่ยมมากพวกเราสาธุพร้อมกันเลยจ้าสาธุคนที่ยืนใครสาธุแล้วนั่งไปเลยไม่ได้บอกว่ามีสติสาธุไม่ได้บอกว่ามีสติสา ธ, าสา ธ, สาธุนั่งไปได้แล้วประกาศโปรดทราบมีคนแขนพระอีกนิดเดียวจ้ะอีกนิดเดียวลองดู มีสติแถวตรงเดี๋ยวจะให้ปรบมือเป็นเซตนะเผื่อเวลาเราเข้ามาหาวิทยาลัยมันต้องใช้ปรบมือเป็นเซตเขาปรบอย่างนี้ฟังให้ดีหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยคือปรบเซตเอาใหม่นะพร้อมแล้วเริ่มทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืน มีสติปรบเซตโหมั่วจริงเลยเขาปรบแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแต่เอาแค่เซตเดียวนะวันนั้นพระอาจารย์ไปสอนเด็กตาบอด พอบอกเขาบอกว่ามีสติปรบเซตเราะเขาปรบเลยหนึ่งสองหนึ่ง2องสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอโอ้แล้วก็ขึ้นบนพระอาจารย์นั่งงงเฮ้ยทำไมเซตเขายาวจังเลยของเราเอาแค่เซตเดียวนะทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปรบเซต ยังมีแถมอีกเอาใหม่ทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปลบเซตเฮ้ยเริ่มพร้อมแล้วเอาใหม่อีกครั้งทั้งกลุ่มที่นั่งและกลุ่มที่ยืนมีสติปลบเซตหยุดใครหยุดแล้วนั่งเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะใครหยุดแล้วนั่งเลยจ้ะเมื่อกี้ยังไม่ครบเซ็ตห้ามเกเร เหลืออยู่กี่คนเหลืออยู่กี่คนอ่าพวกเรามีสติสาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยสาธุจะเชิญนั่งได้เลยจ้ะยอดเยี่ยมมากไม่ยอมนั่งมีสตินั่งลงเก่งมากเลยสาธุดังๆังให้เพื่อนเราด้วยตกลง เดี๋ยวมันมีอย่างอื่นที่จะเล่นกันสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามตกลงตัวสติสำคัญไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดก็ต้องมีสติเวลาจะพูดก็ต้องมีสติ เวลาจะทำก็ต้องมีสติเวลาจะคิดก็ต้องมีสติประจารย์ให้นิดหนึ่งนะพวกเราตั้งใจจะเอามือมาชี้ที่หัว อ, ออกจากเกมแล้วตอนนี้ อ, ออกจากเกมแล้วเอาใหม่ว่าตามอันนี้เป็นภาษาใบใ้เผื่อพวกเราเอาไปใช้ได้คิดก่อนพูดทำติคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิด ก่อนคิดเอาไหมคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนคิดตรงนี้หลักนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตทีนี้มาดูหัวใจของศาสนาหัวใจของศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีลองทำมือสิเหม็นม น, นะไม่ดีลองทำเหม็นเมนแล้วก็ผักออกไป เหม็นๆผักออกไปอันนี้คือละชั่วชั่วคือไม่ดีผักออกไปแล้วก็ทำทำดีทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสหัวใจสามข้อของพุทธศาสนาเอาทำพร้อมกันละชั่วทำดีทำจิตให้ ห่องใสจ้ะอา้าวพร้อมกันหนึ่งสองสาละชั่วทำทำจิตให้หัวมั่วจังเลยเฮ้ยเอาใหม่หนึ่งสองสาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสจ้ะนี่เป็นหลักหัวใจของพุทธศาสนาเดี๋ยวก่อน พระอาจารย์จะเบรกให้เข้าห้องน้ำกัน15านาทีพวกเรายอดเยี่ยมมากเมื่อกี้มาเข้าตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้สองโมงเกือบ15นาทีแล้วปกติเขาบอกว่าเด็กๆ เ, เนี่ยจะมีความตั้งใจเพียงแค่15นาทีแต่ของพวกเราหนึ่งชั่วโมงกับ15นาทีพวกเรายังนั่งควบคุมตัวเองได้หาได้ที่ไหนสาธุต่างๆให้ตัวเองด้วย สาธุดังๆให้แม่ชีข้างหลังด้วยแม่ชีสาธุด้วยลูกเนนข้างหน้าด้วยจา ก, ก็โมทนาบุญมากๆเลยเก่งกันทุกๆคนกิจกรรมในช่วงต่อไปเดี๋ยวพอเราเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาปับ๊บพระจารย์มีพัดที่จะแจกพวกเราทุกคนเมื่อเช้านี้ ตัวนี้จะเมื่อเช้ายังเปิดให้ดูไม่ครบทุกอันตัวนี้สาธุคำว่าสาธุภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ากดไลค์กดไลค์กดไลค์เพราะฉะนั้นเห็นใครทำความดีเรากดไลค์ให้ด้วยคำว่าสาธุเมื่อเช้าพระอาจารย์ได้คุยกับแม่ชีนิแม่ชีนิบอกว่า ได้มีกิจกรรมพิเศษสอนพวกเราไม่ใช่เพ่สอนทั้งลูกเนนด้วยหรือสอนแต่แม่ชีน้อยอย่างเดียวเฉพาะแม่ชีน้อยอย่างเดียวใช่ไหมมีอะไรที่จะทำโชว์ลูกเนนข้างหลังได้ข้างหน้าบ้างได้ไหมลองแม่ชีนี้เริ่มต้นสิหนึ่งสองสามลองอ้าวแม่ชีน้อยดังดังหนึ่งสองสามกินข้าวอิ่มแล้ว โอเคแล้วมีขาถาสอบตกไหมโอ้โหดูเดือดมากลูกเนนมีอะไรจะโชวแม่ชีน้อยข้างหลังบ้าง มีไหมอาจารย์ไม่มีใช่มไหมไม่มีอะไรนะอ่ะสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดโอ้มีคนไม่อยากได้พัดเยอะแยะหมดเลยอาจารย์ช่วยดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมเวลาแจกผมให้พระอาจารย์แจกกันแล้วกันสะอาดสะอาด สว่างสงบสง่างามอาจารย์จะเบรกให้เข้าห้องน้ำกัน15บนาทีซึ่งท่านอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าไม่ต้องเบรกก็ได้เพราะว่ากลุ่มนี้สุดยอดมากเวลาเบรกแล้วไม่ยอมกลับเข้ามาในห้องนี้ <c oughs> <c oughs> นะกลับไหม <c oughs> จะอา้าวถ้างั้นเดี๋ยวเราลุกกลับพระพร้อมกันตั้งใจน้อม ลูกเนนั่งท่าเทพพบุตรหรือท่าพลมส่วนแม่ชีน้อยนั่งท่าเทพธิดาเตรียมตัวตั้งใจกราบราพระรัตนตรัยพร้อมกันหนึ่งสองสามอาลหังสัง พุโทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสา้